ตัวเนี่ยคือคือเนี่ยกำหนดจิตของตัย เดืรอรนเกิดปต่ความเย็นยายนายจิตในใจพเราส่งกระแสจิติตไปงอืน่นฉะนั้นขณะทีลระยะที่ <c oughs> เราฟังต้งตั้งจิตอยู่เฉพาะหน้าอยไปเกี่ยวเกาะกับอารมณ์ตัญานอื่นเรื่องดงชนะเป็นหน้าที่ของทาง่านเราไม่ต้องไปคิด่าจะแสดงอะไร จิตของเรากำหนดจิตอยู่ภายในธรรมนั้นมันก็รจ ะ, ะรัวไหลเข้าไปสัมผัสกับจิตอย่างธรรมะของหัวใจใจนั้นมีมากทุกคนก็มีธรรมะไม่ใช่ไังมีธรรมะแต่ที่ว่าในรู้ธรรมะไมในใส่ใจธรรมะ นี่คนามาสละสสารจิตใจของตัวรูปประทังนามาทังนี่คือก่อนธรรมะของเรท่านก่อนเกิดปัญหาก่ถูกก่อนธรรมะก็ถูกถ้าพิจรณาไปทางโลกมันก็เกิดปัญหาราคะต่างๆถ้า่ิจรณาไปทางธรรมมันก็แล่นะแบบหยุดปัญหาได้ ดังนั้นอุบายทางใจที่จะแหน่สอนตัวเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่พิจารณาเป็นธรรมะถึงจะอ่านตำหลับตำราอ่านนักฝนนิพพานใจของเราท่านก็ไม่มีอะไรที่จะดีวิเกิดให้แต่หาเราพิจารณาธรรมะไม่้จะพิจารณาตัดพิจารณาบุคคลต้นไม้ภูเขาหรืออะไรทั่วไปมันก็เป็นธรรมะสอนใจได้ เนสละเท่านั้นเจ้าตัวรอดเป็นสละเท่านั้นจะมีความสุขความสบายสละทั้งโลกเราควรสละมาพอสมควรรู้มาพอสมควรแต่สละทางทางนี้รู้สึกว่าเราต้องไม่เสี่ยงคอไม่สมบูรณ์ดันั değil, ้นการศึกษากานธรรมะจึงศึกษาจากการญาติจิ จะต้องไปศึกษาที่อื่นตัวนี้แหละเป็นคิดเป็นภัยสาหาสไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะของตัวนี้แหละสงบสงัะตัวนี้แหละสุขสบายปลดพ้่ไปจากโลกจากสงสารในกาวทั้งเหล่านี้มันเต็มไปด้วยที่ลสตังหาเต็มไปด้วยธรรมะ จะเกิดเป็นกิเลสตัณหาก็เพราะว่าจิตใจเราคิดตึงหยิ่เยสเร่งของโลกเราเคยได้สับรับาฟังมาจากยูดามาดาหรูอยาตาทวดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยกาหนัดเลยเลยยึดดเลยถือว่าร่างกายเป็นของสวยสดงดงาม ร่างกายเป็นของทิ่หน่ายจิตน่ชาชมต่างๆเพราะปู่ย่าตาถวนด้วยดิ ด, ด, ด, ดามานดาของเราไม่เคยสอนธรามมาให้สอนแต่เรื่องเสริมพิเรดภายในใจความยึดมั่นถือมัน่นในคำพูดก็เลยจิดจิตในจิตในใจของเราเห็นอะไรเข้าสิ่งเราชอบก่าที่เราของนั้น มันสวยมันงามมันดีมันยิเสริมอยากได้พอใจแต่เป็นรูปที่มีชีวิตปลุกเตงกันข้าก็เกิดตาค่าตันหาเกิดความกำหนัดยินดีเกิความดากได้ตามส่วนในจิตในใจถ้ารู้กิงชอบกลัรังเกียดในยากได้อยาให้ตกไปหนีเป็นเรื่องของใจ คือมัเลอัมมนีธรรมะในตัวส่วนพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าถ่วไปทีแทนนำก่อนอันนี้นำอารณ์ส่วนนี้มาที่เรณาเฉลี่ยใส่ใจถ้าหนูพิจาาเหมืนถวกเราท่านที่เจาาเรื่ององขาดของขันเสะยใจจิตใจบื่หนาคลายกำหนัดเสียใ้จิตใจรู้เห็นตามคนจริงในสิ่งต่าง ต่อยวางความดิ้นถือของจิตของใจเป็นรูปที่เรากําหนัดยินดีโดยขาดสติขาดปัญญาขาดกัรรับอย่างพิจาานั้นท่านก็สอนให้มีสติพิจารณาใหมเพราะความคิดไปแล้มันเฉ่อยสดงดงามนันเป็นเร่วงของกิดเหตุปัญหา เป็นเรื่องความหมายนั่นของใจเป็นเรื่องสมมติของโลกเมื่อเราพิจารณาเป็นเรื่องของธรรมเราจะต้องแยกแยะกว่อนอันนั้นออกดูว่าอะไรกันแน่ที่เราไปยินดีพอใจเรื่องใสแต่ตาว่ามันสวยตกงดงามอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อ่เจาราดูตาม นริงๆข้างนั้นไเว่าผูวหญิงเว่าผูวชายก็เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟแต่สมตั้เข้ามีจิตมาอาศัยและธาตุทั้งสี่นี้ที่จะจะรวมอยู่ได้ก็เพราะอาศัยของสุกกระบกแล่เลี้ยงเอาไว้เมืองกันกับต้นไม้ใบหญ้าอาศัยฝุอาศัยฝุ่นอาศัยของสกกระบก เป็นเปีืองหล่อเลี้ยงเปลืไม้หรือใบหญ้าเสียนั้นยิ่งออกแบบงามขึ้นมาได้ร่างกายทั้งพวกเราถข็งกวเหมือนกันของที่เราขบฉันรับทานทุกวันนี้ปกติเป็นของเห่าของหมือนเก็บได้นานจะต้องเสียหายเป็นของเห่าของเสียแล้วยิ่งเรามา่าที่อยู่โผ่อยู่ในาของเราคายออกมาดูเถอะ กรณีใครสินี้ยชมทนชอบนอกจากเด็กแดงแดงที่ในรีเรียนสาจะสามารถดื่มจินได้ตัวของเราเวงคายออกมาแล้วยังไม่กล้าที่จะเอาหัวไปในตางอีกเพราะไม่สุกกระปกหลางฟังไม่สุกกระปกอย่างนั้นถ้าที่เจ้มาจันดยดีเดี๋ยสติด้วยวปัญญาเดี๋ยวธรรมะแล้วหลางกายอันนี้เต็มไปด้วยสองสุกกกของสติกูนจะเกี่ยวของ สเป็นงดงามอะไรแต่เราไม่ได้พิจารณาเรื่องธรรมะจึงเกิดราคาตังหาถ้าเราพิจารณาธรรมะดูเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นแต่สวนมันงามอะไรหรือจะแยกออกมาผลก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นจะดูดดีตัดไปใส่ซุ่งต่างๆ ออกมาวางแล้วแต่ละสินแต่ละอันมีอะไรสวยงามน่าติดน่าชมน่ายื่มดีน่าปรารถนายิ่งเป็นของมนุษย์แล้วกลัวถือว่าเป็นหงียบใจไรถือว่าเป็นของในดีในงามทั้งนั้นในนี้ใครสีนิยมชงชอบจะซื้อจะขายกันในนี้ใครมีนิยมชมชอบจะเอาไปบริโภค ทำอาหามหานเนื้อเือสัตว์นสัตว์ก็ยังยากคือขายกันได้เนือมนุษย์ในจุดดงนั้นไอิเจนาดูหรู้ให้เข้าใจอยากแยะดูหนูจิตมันหนัดยินดีี่เจนาหาทางแก้ไขหายใจเห็นจุดด่างนั้นเขาที่เราชอบ ว่ามันเสวยมันงามนั้นก็ธาตุขันอันเดียวกันกับตัวของเราธาตุอันนี้ขันอันนี้มัมียิ่งเสพขีดหนึ่งมันเลื่อไหลออกมาทางตาทางจมูกทางหูทางตากยุทธวานต่างตลอดทั้งตามเมื่อตามตัวผัวไป มันก็นมีอะไรขี่หอมหวมชวนไปมีแต่ท้องเหน่าท้องเหม็นสว้าสงสะอาสดสวยงามเดี๋วเรามาลุ่มมาหอมเข้านานๆผีผ้าที่สะอาดนั้นหรือผ่าที่สะอาดนั้นก็จะมีขีดมีไอขีดก่อนสวยงามให้มีแสดงว่งาก่อนของกายอันนี้เป็นของสกปกโสมมันจะของสะอาดที่เจ้าน เห็นตามเป็นจริงมันจึงจะคหายความถนัดจินดีมันจึงจัดในรุ่งหลงเผือดเ่ินในร่างกายอันนี้เคยมีแต่สมัยเก่าก่อนพระพุทธเจ้าเคยสอนเปบันทุกโอเคเจ้าหน้าเขาขาวให้ลุกําไปมาให้บริกรรม แล้วโสหาลนังแล้วตังหาลติผ่านกบริกรรมอยู่นั้นน่ะบริกรรมไปบริกรรมไปลูกทมไปเรื่อเๆื่อยแต่พอทำไปทำมานานเข้าผ่าเขา ข, าขาวก็ดังขึ้นทีของผ่าที่ขาวกว่าหายไปเพราะถูกเหนือถูกใครในตัวไปติด ท่านก็ง่า่างกายนี่เราก็อือท่เป็นของสวยของงามทาไมมันเป็นอย่างนี้ผ้าดีๆเ้าขาวกว่ากับเป็นของถูกกว่าพวโขขึ้นได้ท่านก็ทิจาราโขขมาในกายท่านก็ได้รับความปลุกความสบายตอถึงนจากที่ไหนถ้าเปเลยสอนอะไรท่านนะแต่ท่านที่เจมาเอาผ้าเป็น มนเหตุเร า, าเก็ถับพิจารณาอย่างนั้นมันต่อพวามวิาได้เพจะขับไล่ความหลงความใจอย่องใรที่เจญญาแก้ไขใจจนสินน้นเกิดเหวี่ยงด้นรุกเฉืยดิ้นรนสัมผัสต่างๆทางธรรมะท า, า, ทาสอนเพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ดยการที่นิจเจอมาหาความจริงควงมน มีการแฉะไข้จิตใจสิสิ่งเสห่อห้อมหลุ่มหลงไปตามรูปเสียงอล่างราต่างๆล้วก็ห่วงยึดถือเป็นทุกข์ในจิตในใจหน่อหลางกายโดยสมปรารถนาให้หลังกายมันก็มีหนาที่ของมันแปรผันเปลี่ยนแปลงมีอย่างนั้นมันมีใครที่จะคงเสมนคงวาเกิดมาเป็นเด็กดูตลอดนนี้ เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ถึกเราต้องไม่เกิดถึง เ, เราตายไปแล้วเรื่องร่างกายก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปสําหรับคนที่มีการเกิดขึ้นมาจะตอนน้องมีการแก่การเจ็บ ก, ก, การตายเป็นธรรมดาไม น, นมีทางที่จะแก้ไขถ้ถามีเกิดมีอะไรความแก่จันตายจะมาพร้อม เราลืมหลงยึดถือโดยจิตจิดจริงว่าคนเราเป็นของเราแต่เราไม่เคยได้ถามเขาไม่เคยได้สอบสืบดูจริงจังเขารับรางเราไหมว่าอันนี้ใชาจะอยู่กับท่านต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนอย่างไรเราสนมุดเราก็หลงสนมุด เนเขาหว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาใจสิ่งเหล่านั้นเราถามเขาเขาหว่าอะไรเล่าเท่านั้นเขาอยู่ตามเหลืองของเขาหน้าที่อย่างไรเขาไปตามเหลืองของเขาเขาไม่เลยคิดอยาเราจะเป็นทุกข์เขาไม่คิดอยาเราจะเป็นสุกขหน้าที่ของเขามีอย่างไรเขาไม่เคยหลงไหลใส่ฝัน ไม่ว <unlucky S 2> ่าสัตว์ประเทศใดไม่ว่าใครทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นพวกเราแข่งจะไปหลงมันทําไมที่เจนนาตามเป็นจีงทั้งมันให้เข้าใจกันจีนจลงวะมันเป็นไปอย่างไรแล้วก็สร้างอยู่ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นถึงวันนี้ยังเป็นไปบาง้ามันก็จะจบเป็นไปเดนื่อยการเหนยสมัยมันเป็นไปเหนื่อยใจเราก็เหนื่อยหลงหลงเสียอกเสียใจ เพาะใจทั้งเราเดพิจนาแก้ไขความยึดมั่นสาคัญหมายว่ายึงหลชายายสาบุคคลแล้วถื่เป็นเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนนธรรมะส่วนนี้หม่เพียงถือจะหนีจากโลกจะต่องผู้พิจนากาจัดจิตใจถอเื่อหลงเหวยงต่างๆใน้ตกไปแก่การที่จะเป็นใจเห็นนั้น เป็นเรื่องของแต่ละท่านที่ประพฤติปฏิบัติในเช่ว่าฟังแล้วจะเห็นจะเจนขึ้นในขณะที่ฟังเท่านั้นจะต้องนำไปที่นี้ที่เจมาะเป็นจิตใจของเราละจิตใจของเราถอนจิตใจของเรารู้เห็ น, าหนตามเป็นจริงและจะไม่มีอะไรสงสัยในจิตในใจแบบความบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรถ้าเห็นเพราะความบริสุทธิ์ กับความเห็ดยวิสุทธิ์นั้นมันตรงกันข้ามเราเห็ดยวิสุทธิ์เราจะรู้อยู่ว่าจิตยังสงสัยยังสายแฟยังจิดคล้องในสัญญาอารมณ์ต่างๆนานาแต่เป็นโดยวิสุทธิ์แล้วมันเป็นอย่างไรนั้นมันก็หมดปัญหาอาแต่ท้างแต่หาคือความสงสัยในใจของคนนั้นจะหมดไปเมื่อมันถึงที่สุด จิตจะมีมุดหลุดจากสมมุติหลุดจากโลกมันก็สุขก็สบายจะตาย ก, ก็ไม่มีปัญหาจะอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรชีวิ เ, เราดังเงื่อนอยากมีชีวิตเยืนยงคงอยู่ก็เพราะว่าเรายังในเห็นความเหมาะสมความพอดีความงามของจิตของใจจริที่เราปรารถนาอยากได้เราดังในได้ยังในงเห็นดไนดังในเต็มขึ้นในตัว เราจึงอยากมีชีวิตต่อไปยน่งอย่างงานเพื่อจะเด้ไปเพื่อไปพิแบบัติคุณงามความดีใหุ้ึงที่หรือมีความหวังจึงได้เป็นมึงอยู่จึงนั้นาหาเราจะมีชีวิตอยู่ก็ายมีโอกาสเวลาที่จะได้พบได้เห็นจะได้จะทํามันเพิ่เราจึงเห่วงจึงเหว่ยงชีวิต อยากจะมีอายุยืนยาวแต่ท่านผู้ที่เหวน่ยงจิเป็นในจิตในใจจริงจัแล้วไม่เป็นอย่างนั้นท่านไม่ีเหวี่ยงมีเหวงอะไรร้อมัวเนือที่จะอยู่ค้ามตัเนื้อที่จะไปพอใจทั้งสรูสึกไม่มีการจุกข้องไม่มีการมุ่งหวังอะไรอีกนี่คือการประพฤติปฏิบัติบตธรรมะจิตถึงจิตหมาตายทาง เป็นอย่างนั้นไม่นมีอะไรที่จะเป็นตำหาในจิตในใจจะอยู่จะไปมีคุณค่าเท่ากันถึงเราเป็นอย่างนั้นจิตใจยังไม่เต็มไปไมเจริ่ไในสมปรารถนายื่งอยากจะมีอายุยืนยงคงอู่จะได้ต้องพึ่งปฏิบัต ทำบุญพิธทานให้จิตใจเด็กบ้านหันษาให้จิตใจได้รับธรรมะต่อไปอยู่จ้าเบื้องทุกคนปากถนาอยากจะมีชีวิตสุบานยาวเป็นแบบนี้หมายถึงู่กับพิธปฏิบัติด้านอับทำส่วนบ้านทั้งโลกหรอกกว่าทำไมโยกันที่ไม่อยากจะล่มหายตายตายต่อเพราะห่วงใจ สมบัติทรัพย์สินของยายหลูกหลานของตัวเมื่อเราตายไปก็จนมีใครรักษาสมบัติเข่าของส่วนนั้นจะมีใครแนะนดูแลหลูกหลานเพราะเขายังเด็กยังเล็กอยู่มันคิดไปในเแง่นั้นมันจึงอยากจะมีชีวิตยืนเดินคงอยู่คือยังหนุ่ยไปสศพพบเห็นความสุขความสบาย อันที่ตัวปาฏิหาริย์หลูกหลางก็ยังเล็กยังเล็กอยู่ยังรเรื่องวิญาณาสอะไรรืร่อวิญาแล้วก็ยังรักษาตัวหน่ได้ยึดตัวยังคุ้มมันคิดทานองนั้นแต่เมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ความมึนหลงอันอื่นมันก่อความงามขึ้นมาอีกะแทนที่มีชีวิตเป็นอยู่จะ ร, รู้เปลืองแต่ทําำเพิ่คุณงามความดี เือแนะนำจิตใจทั้งตัวให้ละชั่วประกอบความดีมันจะเลืมหลงไปไม่ได้ไข่คิดติดตามอะไรพอเป็นไข่เป็นทุกข์ขึ้นหรือมีอุปสรรคขึ้นมันจึงคิดได้มันเป็นทนนรรนองนั้นเดินไปก้าวเดียวแล้วก็หยุดแล้วอยากถึงถึนไม้ตายทางมันเป็นไปไม่ได้จะต้องเินไปเรื่อย มันถึงจะห่างไกลาจากที่เก่าไปเถึงจุดใหม่ที่เราปรารถนาในการปฏิบัติธรรมะของธรรมองคเดียวกันาหากเรายังยินไหวใจเกิดอูในวัฏฏะสงสารทางธรรมะท่มมานก็กสอนเรายังยินดียังชอบใจในภพในฉากต่อไปท่านก็สอนให้สะสมคุณงามความดีเอาไว้ เพเป็นทุนหนูจิตให้ได้เกิดในสถานที่ดีมีความสุขความเจริญตามฐานะหน้าที่ของสัตว์ที่อยู่ในโลกคําสอนของพระเจ้ามีหลายขั้นไม่อย่มีขั้นเดียวเท่านั้นเหมือนกันกับคําสอนของโลกสอนสัตน์ผสมมัจยมอุดมมันก็เป็นไปเป็นละขั้นล้อย่าง แล่ก็อาานี้อหะสอนไม่ได้เอาอันอื่นมาสอนหนูทงสองผู้ใต้จ่าสอนไปโยนไปเตบนกสอนไม่มั่นให้ขยันอุทนะสปตะทาขยันในหน้าที่การงานของตนนักเรียนก็ขยันศึกษาเรียนเรียนอย่าเสียข้าต่างหน้าศึกษาเื่อจะเอาชนะคนอื่น เรามุ่งหน้าว่าจะเอาชนะเขาเขาก็มุมงหน้าว่าจะเอาชนเราเห้ืนกันเมื่อเป็นคนนั้นมีจุดแข่งกันถ้าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาไม่ตั้งหน้าตั้งต า, ราเราเยน็นแล้วแต่มันจะได้จะเป็นนั้นมันก็ไม่มีวันที่จะขอบแข่งเขาได้ผู้เขาเมื่อไหร่มุ่งว่าจะ ให้เบียดเขาก็ยังตามหลังเขาก็ยังมีเพราะฉะนั้นต้องงานต้อขงขยันธรรมะของพรกพุทธเจ้าเน่ออยขอใหคนเกียวข้าให้ขยันงานเพียรในหน้าที่การงานของตัวเพราะคนเราเกิดมาในโลกอันนี้ในเหมืองเทวบุตรเทวบาัดาเกิดมาทุกคนในมีเสื้อผ้าในมีเข้าของเงินทองติดตัวมา ตัวมาตัวเปล่าไม่มีอะไรติดมาเสื้อผ้านิดหน่อยก็ไม่มีเข่าข้องเงินทองนิดหน่อยก็ไม่ติดมาพอเกิดมาแล้วเรื่องยังฝาอาศัยบิดามารมาคือหลักผู้ใหญ่ดูแลแมาสอนให้ก็อขอยันหมั่นเพียรทำหน้าที่ของตนเป็นเด็ ก, ก่าทำหน้าที่ของเด็ก ผู้ใหญ่จะทำหน้าที่ของผู้ใหญ่เนี่ยมีการงานเกิดขึ้นก็ทําการงานนั้นอย่างเอาใจใส่ตั้งใจทำจริงจังจะเป็นงานอะไรก่อตามถ้าเราขยันหนันเพียรจริงจังแล้วงานนั้นก็สามารถหยื่นตัวของเราให้เจริญก้าวหน้าได้จะทํามาทาถาย ทำการงานแต่กิจกรรมทำหลายๆการงานเมืองก่อตามถ้าพยายามหนักเพียรจริงจังเอาใจใส่เราก็มีทางที่จะเจริญขึ้นในการงานเหมือนนั้นงานเราดีเงินเราก็มีมาเป็นเครื่องตอบแท น, ทท น, ททน ถ, ถ้าจงสอนอห้พยายางนี่คือประโยชน์ไปจูงดันขอบต้นที่พระพุทธเจ้าสอน รักคาสมบัติเนื้อหามาได้เขาก็ของเงินทองท่านแห่รักษาในเหตุที่กว้างแห่รักษาเอาไว้ย่งของมีค่าเท่าไรก็ย่งรักษาให้ดีในอย่างนั้นคนอื่นเขาเห็นของมีค่าเขาก็อาจสาถนาหยิบยกนี้ไปลักขโมยที่คนเอาได้ถ้าเราไปวางไว้หรือปล่อยไว้ในที่หนึ่งบางควร ส้งรักษาให้ดีเขาของเงินทองที่หามาได้ของที่มีค่าเหยียกอารักษะสมประธา <c oughs> จังระยานในนิจแปต า, ตาครบเพื่อนที่ดีงามหมายถึงเพื่อนที่มึง่งดีดังดีต่อตัวเองไม่เอาละเอาเสียแม้ประโยชน์ให้ ย่อมสอดย่วมทุกข์กับเรา็นถึงที่มีสติมีปัญญาเมื่อเราเกิดปัญหาอะไรสามารถที่จะปึกษาไปถามเขาได้เขาจะแ่้ปัญหาที่เรามีอยู่ให้ตกไปเพื่อนที่ประพฤติตัวในทางทดีคือหมึ่งตัวพชตัววเสียไม่เป็นนักเยงการพ น, นันนักเลง ฝีเหล่า <c> น <oughs> ักเล่นเกี่ยวกลางคืนนักล่ด um ูกันเล่นต่างๆเป็นผีผีมีอาจมีทำอยู่ในตัวเป็นเพื่อนผีหน้าครบหน้าดีช้าเป็นเพื่อนผีหน้าสาธารนาเราทำเฉียวทำเสียอะไรเพื่อนมีตา ได้เห็นเขาก็นแนะให้ว่าอันนั้นมันเป็นผิดเป็นภันนยอย่าไปทําต่อไปทํ า, าแล้วเราจะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้มเมื่อเขาได้ยินเราพูดถึงอะไที่ผิดใ น, น, น, นหยุดในวีเขากระวอนให้หรืออย่ว่าจะเลี้ยงมันนิดคือนิดที่ดีนิเนี้ประโยชน์ให้นิดเอาใจใส่ดูแลรักษาส่ว น, นแบบนี้ครบเน่าบันจะจะเสีใจเลยก้าวหน้านี่ เกี่ยงเหนื่อเสียเป็นตาตอมิตรเป็นกัลยาณมิตรทวีติจ้าหปเฮ้เบืองคบเขื่อนที่ดีอย่างนี้เป็นข้อที่3ข้อที่4สำนาชีวิตตาคืออย่างชีวิตของตัวพอสมควรแก่ฐานะของตัวได้หาไปจ่าย10มันก็ไม่มี10บหายส่วนตี ได้น้อยตัวจ่ายน้อยตามฐานะให้มีการเก็บรักษาเอาไว้ให้มีเหลือได้มากขนาดไหนท้ามีเหลือเป็นเป็นปัญหาได้น้อยกต่มันมีเหลืออยู่มันก็มีคุณค่านะจ๊ะการงานอะไรที่เราได้มาจะต้องเก็บรักษาจะต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างชีวิตทังตัว ให้พอเหมาะพอสมได้ซึ่งเกินจนเกินไปเกือเกินจนเกินไปนี่โอวาทของพระพุดธเจ้าแนะนประโยชน์ปัจจุบันทุกท่านถ้าหากต่อไปปฏิบัติตามโอวาทแล้วจะไม่มีความอวดอยากอยากจินเท่ไรจะพอเพียไปในชีวิต มีแม e e ่อว่าของคุณตาจ่ามาแนะสอนอดอยากอยากจะเยินเก็บครั้งไม่อยากจะทําการทํางานอะไรได้นานนิดหน่อยกูใช้จ่ายไปเก็บรักษาเอาไว้ควบเพื่อนจะชั่วยใจเชื้อมันกูเลยไม่มีทางที่จะเล่นเก่าหน่ะรับสมบัติที่หามาก็กนลี่ยับเยินไปหมด ถ้านักเราพิจาราตามธรรมะของพระเจ้าหลอวมันก็มีที่ต้งหน่หลที่พรเจ้าสอนคนในปต่จีบันช่วจะให้เป็นคนดีด้ือคนเ่วอย่างไรผิดคนตรงหนึ่งนนทาว่าศาสนาเป็นของคือของล่ายทไมเพราะเขาเหล่านั้นเป็นผูเจรนาธรระของพระเจ้า่ธรรมะนั้นท่านสอนอย่างไรกันแ่ ที่จะมาตามธรรมะนั้นคนนี้ค่อยแย่ในว่าประโยชน์ปที่มันประโยชน์พบหน้าประโยชน์อย่า ง, ย, าางายิง่งถ้าองค์สอนเอาไว้คนเราเมื่อยังมีกิเลสปัญหาอยู่ในใจถึงอยากจะไปนิพพานมันก็ไปไม่ได้เพราะอํานาจของกิเลสปัญหายังมีอยู่จะต้องก่อพบก่อชาตอีกต่อไป พอเราทราบมีอยู่แล้ ว, ลวใจของเราจะหนึบบริสุทธิ์ถึงคนอื่นจะนม่มาบอกว่าจะได้เกิดอีกนะเราควรทราบดีว่ามันยังมีเชื้อจะเกิดอีกมีอยู่เราจะต้องท่างเที่ยวเยี่ยนได้ต า, ต, ดตายเกิดด้วยไปการเยีนได้ตายเกิดด้วยไปแบบอาศัยอะไรเห็นไหม พบชากิของสัตว์วันนี้ก็เอาใบไม้ที่เป็นมาแดงให้ดูเหี่ยพบชากของเขาถ้าเราเป็นอย่างนี้จะมีโอกาสเวลาทําคุญญการทำดีใหญ่ไหมเราจะรักษาศีวิตหาท่านจะเริยนภาวนาเป็นไหมการเหล่านี้เหนื่อยบอดไม่มีทางที่จะทราบที่จะทรางกุญญการความดีบ้างพบชากิของสัตว์มันมาก ไม่เชง่ายเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เสือเป็นผีนี้โชวลาบใ ห, ห่หลวงจิตโฉมนุษย์าปฏิลาโผป็นลาบดังยิ่งตัดอื่นนับหมืนนับแสนนับลาบ้านไม่ได้เขาจะมีโอกาสเวลาจะมาภาวนารักษาหินชำร า, ำาจิตชำระใจของเขา สูงขึ้มนมาเราื่อยๆขึ้นมากกว่็จริงแต่ไม่เท่าสัตว์ปลวกในจอมปลวกหนึ่งๆจังหนากกว่าคนในประเทศไทยจำนวนนับล้านเลยได้ถ้าจอมปลวกใหญ่ๆมันมากขนาดนั้นและการเกิดของเขาก ง, าง่ายอย่างปลวกปลาพวกโกโกอื่นอย่างนี้ที่หนึงๆมันเกิดขึ้นจริร้อยกี่พันตัวในท้อง ของแม่เท่าาเนกันเพียงหนึ่งมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นไหเกิดยากลำบากกว่า จ, จะเกิดมาเป็นมนุษย์บา้าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในรักษาธรรมของมนุษย์ในประพฤตตัวเป็นมนุษย์แล้วตายไปจะเป็นอย่างไรเราเองในชาติเราจะได้ก่อพบกรอชาติที่ไหนมืดหลอดอยู่ในตัวในชาติเาจะไปตกหลุมตงบอกอพบก่อชาติที่ไหนอีก ดังนั้นท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ศรัทธาส้ำศรัทธาคือให้มีความเชื่อใจโปร่งใสในกรรมติดตัวทำกรรมดีจะเกิดผลดีนำผลดีมาให้กรรมชั่วตีดตัวสร้างตัวทำลงไปจะนำความชั่วมาให้เมื่อเข้าใจเรื่องของกรรมทราบเรื่องของกรรมติดตัวทำจะนำสุขนำทุกข์มาให้อย่างนั้น เราก็เลือกคัดสัดหาทาั้งแต่กรรมที่ดีกรรมที่ชั่วหีืเราในสองการในศาสนาอย่าไปคิดไปทํามันเพราะกรรมชั่วนั้นจะนำผล ม, มาให้เป็นทุกข์เป็นโทษทุกคนเกิดมาตามทางพระพุทธศาสนาทั้ง่าวว่าเกิดมาเพราะกรรมไม่ใช่เกิดมาเพราะบิดามารดาไม่ใช่เกิดมาเพราะส่วนอื่น ตามทู่เราทํานั้นแหละโดนบานบานให้เกิดม า, าเราไม่คาดว่าล้วจะได้เกิดที่ไหนเราจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรทุกคนปานะ่าก เ, กเถาือนะ่อยากจะไปเกิด ท, ที่ดีแต่มพบมีขาดต่อไปไม่มีใครป่าเถื่อยากจะได้เกิดใน่พบผิดชั่วผิดตับแต่อันหนาต่งการที่สร้างมามันไม่เหมือนกัน เป็นมนุษย์ก็เหมือนไงไงกันท้ที่เกิดในคันยดามานดาคนเดียวกันเลยคนอื่นเป็นคนเดียวกันแท้ยันหัวกันออกมาแต่หน้าตาเคีวพนันนะไม่เหมือนกันสติปัญญาไม่เหมือนกันยีดามันดาท่านโปราหวลาลหญิงเดกชายทีชั่วช้าเหียหาย คือท่นทานผชก็อยากจะให้เสุสดงดงามต้นไงามโลกถ้าท่านผู้หญิงเป็นผู้ชายก็อยากจะให้ห่อให้เหลาที่สุดในลูกใครในโลกแต่หนึลูกของเราปาร์ตนาอย่างนั้นดังสตินนปัญญาก็มเล้ยงกันปาร์นาใหญ่จะให้หลูกดีเด่นประเสริฐิ่เศษกว่ามนุษย์ถั่วไปในปาร์นาใบบ้าเยจีดในปาร์น า, อ, าอะไรยะ ต่างๆในวนตากอบตาบอดหัวหวกขาด้วนหรืออะไรต่างๆถ้ามปากนาทำมมยินดีไม่พอใจจะเหตุอะไรลูกที่เกิดมาจึงเป็นไปว้ามีไหวเสือเรื่องของกรรมมันจ็เหนื่สับให้เป็นไปตามเบื้องของมันถึงจึงหวะกรรมไม่นาว่าจะตีโลโก้ตันโลกเป็นไปพรากรรม การมันจำแนกสัตว์เหวี่ยเลเหวี่ยงปนิคิดกันทั้งๆ ท, ที่เกิดในคำอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องศรัทธาคือความสเรื่องของกันจึงควรเหมี อ, อยู่ในจิตในใจไข่ชิดอยู่เรื่อยเพื่อจะไม่ทาผิดทจํจริยสที่มีมีคุณค่ามีสาระ เี๋ยวเราทำกันดีเราจะมีพบมีชาตต่อไปกรรมดีจะอำนวยเวชัยให้ผลเป็นสุขเกิดเป็นมนุษย์มีเข่าขวางเงินทองเสื้อผ้าอะไรติดตัวมาต่อัาแต่ก็ไปเกิดในตระกูลที่ดีมีเงินมีทองมีเข่ามีขวางบีดามันดาก็รักษาดูแลเอาใจใส่ จะเติบในหญ่มาตกอให้ศึกษ า, าเรียนอหมอาะมรดกเข้าของต่างๆให้มีความสุกความสาบายพอกังดีป็นให้แราทุกคนป่าเถือนอย่างนั้นแต่เ้าเกิดในตาในดงทุกยากลำแบบากหาใส่ตาใส่ท้องแต่ละทีก็แทบจะไม่มีอย่างนั้นมันก็นับไม่ได้มันเป็น อย่างไรเขาไม่ปรารถนาของดีหรือเขาจงเป็นไปแบบนั้นก็เพราะกรรมยังเน่าให้เขาไปเกิดอย่างนั้นเขาทํำไปแบบนั้นมันต่อไปแบบนั้นถึงคนมนุษย์ต้องมีเืองกันมมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องของกรรมเราจึงควรเชื่อควรที่พี่เจนาสอนใจของเราให้ละกรรมเชื่อบรรเทากรรมดีสั่งเอาไว้ เหนือดอยังเหนือถึงจุดหมายปลายทา ง, งคือพระนิพพานทีที่เรากระทํำบาเพ็ญเอาไว้ในบ้านดีจะเวลใช้เหตุผลได้รับความสุขความสบายตามฐานาหน้าที่ในภพชาติแั่นั้นหมายถึงกรรมหมายถึงกฐาคืสเราสัใจภาในกรักษาหู้วหิ้วเป็นเรื่องสําคัญอันหน ในทางพระพุทธศาสนาหรือเป็นเรื่องที่จะนาคนให้ไปเกิดในภพหน้าได้รับความสุขความสบายฐานจิตวิีเลยนะสขจึงยันติชีเลยนัทโพกับสัมปทาขีนเป็นเรื่องสําคัญแต่คนในฐานจิตขีนเป็นเรื่องสําคัญ โดยทำไปโดยใจชอบมันจะคิดว่าศีลที่เรารักษาเราเพื่อปฏิบัติจะนำผลมาให้ตรงด้รับความสุณอย่างไรเกิดเ้ิงไส่ไม่อยากรักษาเพราะการรักษาศีลมันยากการปล่อยแ่ละศีลทําไปเดือดําทังกิเลสปัญหาความเอาใจของตัวมัน่มันสะดวกสบายเหมืนพาเรือไปตาม ลำน้ำที่ไหลในทวนกระแสมันง่ายแต่พายเรือทวนกระแสน้ำต้องอาศัยกำลังไม่อย่างนั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งเรื่องการรักษาศีลก็ทำงานเดียวกันศีลนั้นถ้าหากรักษาแล้วตัวปานาทอบาตอธินาทานการเมตุนิสาจามุสาว่าหรือสุลานึ่เป็นศีล ห้าทิ้งผิเป็นโทษเหนือคนหนืรักษาเหนือรักษาได้ก็ให้อา น, นิสงส์เราไม่ข่าเขาเบียดเบียนเขาเราเกิดมาก็ไม่มีโรคใครไ ข, ไขเ้เจ็บไม่มีใครมาฆ่าม า, า, มาเบียดเบียนเราถึงจะมีสมบัติเข้าของห่างมาแต่กองขนาดไหนถ้าเจอโรคใครไ ข, ไขเ้เจ็บมีคนมา เดเย็นบ่อยๆจิันก็มมีความสุขให้หลางกายถมีโรคภัมันก็ไม่มีความสุขฉะนั้นท่านจึงให้รักษาเรื่องของสีเอาไว้ใเือดเย็นเขาในขาเขาเราเกิดมาหลางกายก็จะสวยสดงดงามมันมีโรคภัมาเดือดเย็นล้วอายุขเราก็จะยืนยานานต่อไปมนมี ใครที่จะกล้ามาฆ่ามาเดียดเบียนหรือคนภายนอกของว่าโลกภายในมีน้อยเพราะอำนาจของศีลคุ้มครองรักษาให้มีร่างกายสะดวกสบางสวยงามนี่คือเรื่องของศีลอาจารยนาทานเขาของเงินทองที่เราหาไม่มาได้แล้วไม่เคยรักสุกเขา ไม่เคยเปื้นผีเขากา็เป็นคนภัยอันตรายถึงเขาจะถูกเปื้อนผีรักขโมยของเราก็ปลอดภัยไม่เคยมีใครกล้เาเพราะอำนาจของกรรมที่เราสั่งเอาไว้กลุ่มความรักษาใต่เขาเกลีใจให้เขากลัวอำน า, าจนาัฒนาหรือสงสารเลือตาไม่อยากทำ เพราตามที่เราไม่เคยเบียดเยียนเขาไม่เคยรักขโมยเขามันให้ผลอย่างนั้นตัวอื่นกว่าทํางานโยกันถ้าเรารักษาได้มันก็ดวกจะได้มันให้ผลเป็นสุขพระพุทธเจ้าเห็นอนุสิงอย่างนี้ถ้าดึงสอนในเรื่เราท่านฟูตีเป็นนักท่องเที่ยวก่อพบก่อชาต มีโรคบ่อยๆให้รักษาให้พิจารณาสอนใจของตัวเงสึงเป็นเรื่องสคัญถึงเราจะมีรูปหนังกั้ตัวเพื่อรงานเราหัวใครใครเจ็บมีสมบัติทัสถานเข่าของเงินทองคนดวงก็ตาแต่เมื่อตัวที่สามคือการเมสินิจาการ หากเราไม่รักษาเรามีสามีมาก็นี่ต่อพิ่มอยู่ในขอบในเขตเยอะไปได้คนนั้นเยอะไปเอาคนนี้นอกใจไม่มีวันมีเวลาที่จะเพียงพอจิตใจของเราหมดเป็นหวั่นนั้นสุขสบายไหยถ้าเป็นผู้ชายเด็กยายมาก็ไปคบชู้คนอื่นด้วยไป นอกใจอยู่าม่เสมอเคยได้ยินในหนังซีรีส์เขาพูดเขาเขียงกันข่าวกันแทงกันยีกันนับไม่ได้ยังเหล่านี้พนเพราะมาอยได้นขอบเขตที่ทำคําสอนจิตพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากตามคนต่างประเทชตามคําสอนจิตพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในอนอกใจสิ่งกันและกัน หมดกายถวายชีวิตต่อกันสุขทุกข์รวมกันถ้าเป็นอย่างนั้นครอบครัวนั้นถึงจะอดอยากยากจนเข้าของเงินทองเขาของนอนหลับสบายในเย็นวายเดือดร้อนคนที่มีเงินทองเข้าขวางมากขนาดไหนขาดสามีไปเป็นอย่างนั้นภรรยาไปเป็นอย่างนั้น มันมีวันสงดในครอบครัวได้เียอกเสีใจข่ากันตายทะเลาะเบาะแว้งแต่สามัคคีกันนี่มันเป็นอย่างนี้ทาของพระพุทธเจ้ามีเช่าว่าการเกดโกหกพกลมก่อไมนกันคนที่พูดอย่างนั้นเป็นพิษเป็นภัยมันมีใคร เือเกิดมาถึงจะพูดความคริขนาดไหนเขาก็ไม่เชื่อเราพเราเคยโกหกรวบรวมเขาจะกัรเก่ามันเหตุผลอ่านะ้นถ้จะให้รักษาเวลาตัวปกติอยู่ดีๆมันก็บ้าอยู่แล้วหายิตเสืมเมื่อดื่มเข้าไปมันเป็นอย่างไรแล้วถนนใหญ่ๆมันก็เดินไม่ถูกนี่นะ เหอะไรก่อเป็นไปต่างๆเลยนะคนขี่ม้าคือลาแต่คนก่อชอบกันแบบจินมเผื่อสังคมความจริงสังคมคือลาไม่ใส่สังคมที่เจนนความถูกความโกรธมาให้สังคมผิดหายสังคมบ้าผูดจ้าก็อนเรื่อตัดผิดถูกั่วดีอะไรหาความละอายในใจหล่อยมี มีอย่างตัวเป็นบ้าเพิ่มบ้าขึ้นอีกถ้ามงสอนให้ดื่มให้รักษาถา้าการภาอยากจะเป็นคนดีต่อไปในท้งนี้ ถ, ถือทั้งห้าข้อที่อธิบายมาถาม้าพิจารณาโดยความเรินธรรมในเข่าตัว เราจะทราบว่าผิวั้งห้าขวบที่พระพุทธเจ้าทรงมันหยึดเอาไว้เป็นคุณเป็นอนิสงส์ยิ่งใหญ่หากทุกคนสนใจรักษาโลกอันนี้จะมีความสุขเหมือนเทวดาไม่เลยลำบากยากเย็นเป็นทุกข์เพราะเหตุอะไรเพราะ่ผภาการเบียดเยียนกัน สถานคือใดในตองไปรักษาเข้าของเงินทองว่ามันจะถูกขโมยมาอย่างชิงออกไปไปสถานคือใดในห่วงบ้าน ห, ห่วงโซ่่งสามีภรรยาว่าเขาจะเป็นพื้นหนอกใจมันฝึกมันสบายแค่ไหนไปสถานคือใดในนิชใยแต่โกหกคบลมมันฝึกมันสบาย แลเลเนวุ่นวายทีกวันจนเพราะอะไรทต่พิจมาการจริงจัาางกับพราะาการรักษาศีลแล้วทำไม